นาที่ไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องข้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สันส้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงจการุูนาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบ ขอตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมี เธออยู่เคียงข้างใครให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเหเมว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดเลยใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะ ค, คิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ เก็บมันนานมากจนล้นใจอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้าแต่ก็นะเกินห้ามใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบาปอย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมายการร้ จะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบควันได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่ชาติตื่นมาก็เธอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นป็ะจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไง อยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉัจนยิ้นไว้ใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดเลยใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันเสนอจะคิดยังไงกับทางก่อนแล้ว